สอนพระอีกรอบนะเป็นรอบที่เหนื่อยมากเลยเพราะว่าเราเหนื่อยกระโยมไปเต็มทีแล้ว<ฮ>เจอพระอีกรอบหนึ่งสอนโยมเนี่ยยังใจเย็นๆได้กโยมเนี่ยแขนขายาวกว่าพระพระมายากองคง์อยู่ไกลๆนะมาลําบากมากลางกรดนอนอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยลําบากพอมาแลนะ้วหลวงพ่อก็ต้องพยายาม ให้ท่านรู้เรื่องในครั้งเดียวตัวนี้ที่กินแรงมากเลยถ้าจำนวนมากท่านก็ติดสมถะมแก่ยากเนีย่ยติดถ้าไม่ดื้อก็แก่ง่ายนะดื้โอโหเหนื่อยไมโครโฟนไปไหนล่ะค่ะหลวงพ่อช่วงนี้ก็เห็นว่าความรู้สึก ชอบใจกับไม่ชอบใจในสภาวะต่างๆมันเบาลงอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลางหรือว่ามันเหมือนกับว่าเห็นจนรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็มันก็ต้องเป็นแบบมันก็ต้องมันก็ต้องหายไปอะค่ะมันก็ตัเป็นกลางมันเกิดจากมีปัญญาพวาเป็นกลางมันมีหลายอันนะเป็นกลางเพราะเพ่งเอาไว้นี่ใช้ไม่ได้เป็นกลางเพราะปัญญามันเห็นว่าตุกอย่างชั่วคราวอย่างนั้นอะดี หลวงพ่อเจ้าคะบางครั้งหนูเห็นความกังวลนะเจ้าค่ะพอมีเรื่องกังวลที่มันกําลังคิดอยู่อ่ะแล้วพอหนูรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่องที่คิดอยู่มันก็จะหายไปแต่ทําไมความกังวล ม, มันเหมือนมันยังอยู่ข้างในอ่ะเจ้าคะเพราะว่าอยังคิดไม่ตกตใจ<ช>ห้ามมันไม่ได้หรอกอเหตุที่ให้ทําให้กังวลมันยังมีอยู่ค่ะเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปกังวลใหม่ะเราภาวนาไม่ใช่เพื่อบังคับมันต้องสบายอย่างเดียวไม่ใช่เจ้าค่ะ แท้จริงอย่างความกังวลมันปรากฏอยู่มันก็สอนธรรมะเรารู้สึก <c oughs> ไม่ไล่ไม่ไปใช่เจ้าค่ะไล่ไม่ได้อยากไล่อยากไล่ค่ะในทั้งทั้งที่ความจริงนะั้นบังคับมันไม่ได้แต่ใจเราไม่ยอมรับความจริงเราก็อยากบังคับให้ได้เจ้าค่ะจริงๆแล้วธรรมะนะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาใจของเราเองต่างหากปฏิเสธธรรมะเจ้าค่ะ ปฏิเสธตลอดเวลาเลยอย่างธรรมะแสดงว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่อยากไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจ็บหนักๆแล้วอยากตายได้พ้นทุกคนร้อนเนี่คิดอย่างนั้นไปสิคิดว่าตายเราพ้นทุกใจเราปฏิเสธธรรมะเมื่อเราก็ต้องดูกายดูใจซ้ําแล้วซ้ําอีกดูจนวันหนึ่งจิตใจยอมรับความจริงเจ้าค่ะธรรมะคือตัวความจริงนั่นแหละ จริงก็คือขันห้านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ยอมรับทุกข์ไปตลอดเนาะค่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าตื่นนอนตอนเช้าก็จะเห็นชัดมากว่าจิตเขาจะทํางานนะคะ ม, มันเหมือนมันยุกยิกยุกยิกอยู่ข้างในท<ำ>ํเาเริ่มทํางานเออมันทําทั้งวันทั้งคืนเล ย, ยแต่ตอนกลางวันเราต้องไปทํางานต้องไปคิดใช่ไหมเราก็ไม่สามารถเห็นสภาวะได้ค่ะตอนตื่นนอนนั้นเป็นเวลาที่เหมาะกับการภาวนามาก ตอนนี้หนูต้องมีอะไรต้องปรับปรุงมั่งไหมเจ้าค่ะดูไปเรื่อยๆขอบ <ขอ S 1> พระคุณเจ้าค่ะมันไปตรึงไว้นิดนึงเจ้าค่ะนะใครยกมือตะกี้ควนี้ตัวนี้ก่อนคือเมื่อเมื่อสามสัปดาห์ก่อนไปผาซ้อนแก้วไปกับเพื่อนเราปรากฏว่ารถไปคว่ำแถวแถวชายบาดาลจังหวะที่รถคว่ำเนี่ยมันมีความแปลกก็คือจิตมันย้อนกลับมาอืมแล้วก็ความกลัวมันไม่มีอืมนั่นแหละเราภาวนาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันช่วยตัวเองได้ จะตายจริงๆนะจิตจะโดดเด่นขึ้นมาเลยเอาตัวรอดดีต้องอย่างนั้นแหละนะเป็นการทดสอบนะว่าที่ฝึกไว้ใช้ได้เรื่องไหมแล้วจังหวะตรงตรงนั้นรู้ถึกมันมันมันเป็นอิสระใช่มันมันดูแล้วมันมันมันไม่มิดพอเราเราฝึกมาจนเต็มที่แล้วนะมันยอมรับสภาวะแล้วมันรู้แล้วสมมติจะความจะตายนี่นะใจมันเป็นกลาง คือแวบแรกนี่คือรู้ว่าตายละเละหลังจากนั้นมันก็เสมอกันหมดแ ล, แล้วไม่เป็นไรเลยมหัศจรรย์ไม่เป็นไรเลย <c oughs> จนจน <Okay. S 2> ชาวบ้าน <c oughs> ที่ที่เ ข, ข้ามาช่วยจังหวะแรกนี่เขาถามคําแรกว่าใส่พระอะไร <c oughs> จังหวะที่สองเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทาไมเราไม่กลัวเราไม่ตกใจ <c oughs> ตอบเขาได้ไหมเรามีพระสติ <c oughs> สติมันจะทํางานอัตโนมัติเลย เลวพ่อเคยทีนะตอนนั้นหัดขับรถขับยังไม่เป็นเลยจะไปดูนกปักหังขับไปแหมอย่างรวดเร็วเลยนะถนนไม่มีคนเลยไปเจอสะพานบ้านนอกสะพานหัวตัดแบนๆไม่เคยเห็นนี่ในกรุงเทพไม่มีว่าขึ้นไปเซอเต็มเหนียวเลยนะลอยขึ้นกลางอากาศทั้งสี่ล้อเลยหัวเรานี่เปิดกระแทกหลังคารถมองลงไปข้างหน้านะพอเชิงสะพานเนี่ยหักศอกเลย วยสติมันทำงานอัตโนมัตินะเห ย, ยบเบรกเป็นกลางอากาศเลยพอรถกระแทกพื้นนะไม่เบรกละเลียวละจังหวะที่ที่รถมันคว่ำลงไปแล้วมันสไลด์ประมาณยี่สิบเมตรเนี่ยจังหวะนั้นนี่ยังยังรู้สึกตัวแล้วยังหันไปถามเพื่อนว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเออนั่นแหละฝึกไว้ดีละแต่ไม่ต้องซ้อมก็ได้นะครับกลับมส ก, การบหลวงพอ่อเออคือ ที่ผมทําอยู่นะครับยังบังคับอยู่แล้วก็ประคองบางครั้งแต่ผมใส่ว่าผมเพ่งไปหรือเปล่าผมไม่มั่นใจบังคับไว้เยอะนะเพ่งยงมีนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะบังคับใช่ไหมครับบังคับกับเพ่งมันพวกเดียวกันครับแล้ถ้าภาวนาเพียจุดหนึ่งนะถ้ามันเป็นกลางจริงๆมันไม่ไม่มันจะไม่ค่อยเริ่มเริ่มเป็นกลางหรือมันถ้ามันจะมันจะเป็นกลางปุ๊บมันจะเป็นกลางของมันเองเลยอ่าเป็นกลางเอง เราทำไม่ได้เห็นไหมฝึกไปจนทั่งเห็นเลยเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจนกูเก่งนะบังคับได้ไม่ใช่ว่ามันจะความเป็นกลางค่อยๆเข้ามาหรือไม่ไม่มีอย่างนั้นเราทันทีที่สติเกิดนะมันเป็นเองหมดนะอ่ะนะไม่มีค่อยๆเป็นไม่มีเนาะแต่ถ้าภาวนาไปจุดๆหนึ่งถ้ามันจะเห็นเนี่ยนะมันจะเป็นกลา ง, งมันเองเลยใช่ไหมเออมันเป็นกลางเองครับขอบคุณครับมีนะักปูบาาจารย์บางองค์ ตอนท่านเจ็บหนักมาเ ล, เลียเรียขึ้นสมองท่าคิดว่ารอบนี้ตายแน่นอนเลยท่านก็ดูใจกบบขึ้นมาอย่างเนี้ยเบิกบานโดดเด่นขึ้นมาเสร็จแล้วหายบ่นเสียดายไม่ตายนะแหมถ้าตายสงบสบายไปแล้วนะใจมันไม่ปรุงไม่แต่งอะไรนะฝึกเอานะฝึกเอาดูไปเรื่อยนะรักษาศีลไว้แล้วก็ภาวนาไปเรื่อย ศีล ส, สมาธิปัญญาต้องทำทั้งนั้นแหละอ่ะใครยกมือเตคกี้เห็นแวบๆนแบบะขอส่งกันบ้านครับหลวงพ่ <c oughs> อ, อตอนนี้รู้สึกมีสภาวะอะไรที่ผุดขึ้นมาคือมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับไม่ต้องรู้นะที่ฝึกอยู่ดีแล้วใช้ได้ละดูเป็นละ <c oughs> รู้สึกไหมว่ามันมีความสุขรู้สึกมีความสุขมีความเบิกบานมีความเบามีความคล่องแคล่วว่องไวมันเป็นของมันเองหมดเพราะเราไม่ได้ประบาวางคับมัน โดยธรรมชาติแล้วจิตนะโดยตัวของมันเองผ่งใสอยู่แล้วเราไปเอากิเลสเท่าไปทับถมมันจนเศร้าหมองไปงั้นถ้าเราไม่เอากิเลสไปใส่มันนะมีสติอยู่มันก็ดีของมันเองอ่ะแต่ว่ามันไม่ฉลาดมันก็ดีประพัฒ ส, สอนแต่โง่ผ่องใสแต่โง่โงทนี้วิธีพอมันผ่องใสแล้วเราก็ตามรู้กายรู้ใจต่อไปต่อไ ป, อไปทั้งผ่องใสทั้งฉลาดมาฉลาดเต็มที่มันจะสลัดตัวเองทิ้งเลย จุดสุดท้ายของการภาวนานะคือการที่จิตสลัดจิตทิ้งนั่นแหละสลัดภาระอันสุดท้ายคือตัวจิตนั่นเองฟังๆไว้นะอีกคําถามนึงครับหลวงพ่อคือเมื่อต้นเดือนทีแล้วที่ผมกลับหลังกลับจากวัดนี่รู้สึกจิตมันเบิกบานประมาณเป็นอาทิตย์เลยครับไอ้ตรงนั้นนี่คือจิตเราไปสร้างพบขึ้นเองหรือว่าเบิกบานอย่างนั้นมันเบิกบานเองนะอเจิตไม่ได้ไปติดอยู่แล้วจิตติดอยู่นะความเบิกบานนั้นจะเบิกบานแบบไม่ไม่ไม่แช่มชื่นจริงอ เบิกบานแบบเด๋อเด๋อการเรีเยนหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าชอบหลงคิดอะคะ่ะเผลอคิดไปนู่นไปนี่บ่อยๆใช่ได้นะ่ยคือเราภาวนาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักสภาวะอะไรสักอย่างเดียวเนี่ยรู้สภาวะหลงคิดอันเดียวก็พอละเพราะสภาวะหลงคิดเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเลยเราคิดทั้งวันรู้สึกไหมตอนนอนหลับก็คิดนะเขาเรียกว่าฝัน จะมีปัญหาตอนนอนหลับนี่จะฝันแล้วจะเหมือนรู้เรื่องตลอดเลยแล้วเหมือนกขไม่ได้พักผ่อนเลยอะเออไม่เป็นไรนะร่างกายมันได้พักแล้วอย่างร่างกายนี่มันนอนหลับแต่จิตนี่มันนอนสั้นๆร่างกายมันนอนนาน <c oughs> จิตมันตื่นก่อนร่างกายก็เริ่มทำงานเริ่มคิดเริ่มปรุงเริ่มแต่งแต่ถ้ามันคิดอะไรน่ากลัวขึ้นมานะสติทางานขึ้นมาได้เองอีกไม่ต้อง <c oughs> กลัวมากหรอกใช้ฝึกไปแล้วตอนนี้รู้สึกมีเหมือนก้อนอะไร ก้อนนี้เกิดจจงใจปฏิบัตินะเกิดจากความจงใจที่จะปฏิบัติไปบังคับมันจงใจดูจงใจดูก็แน่นแน่นมิมค่ะบอหกสเคลายคลายการเพ่งหน่อยเนาะดูให้อย่างสบายสบายอย่าเพ่งแรงเพ่งแรงไปการมรสการครับก็ปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งครับแต่เมื่อวานนี้เพิ่งเห็นว่ากายมันหายใจได้เอง อะไรนั่นการหายใจเออถูกต้องครับเมื่อก่อนผมคิดว่าการหายใจเองมันเห็นดูดูเมืนเห็นจะยากเลยแต่พอเมื่อวานนี้สื่อว่ามันแตกต่างกับการที่ผมคิดไว้อืแต่เดิมแต่บางวันก็ไม่เป็นเลยนะครับเออไม่เป็นไรหลวงไปเลยใช้ได้แล้วที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วนะดีแล้วดูของเราไปอย่างนี้แหละครับขอบคุณครับฝึกนานเท่าไหร่เนี้ยนี้ก็มหาหลวงพ่อเมื่อเดินปจิกาครับแล้วก็รูสึกไหมจิตแล้วไม่เหมือนเดิมแล้ว ตื่นขึ้นมาล้มีความสุขมีความสุขรู้สึกไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไปหมดแล้วครับได้ครับรู้สึกไหมเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เป็นของอยู่นอกๆไปหมดอยู่ห่างๆเป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นไหมกิเลสก็เป็นของถูกรู้ถูกดู<ช>เห็นไหมจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เ ด, ดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอะไรเงี้ย<ช>เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิด มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้พระโสดาบันสาธุครับคนน้นยกมือยกไวน้นายกไว้ไม่ยากหรอกง่ายกว่าที่คิดไปเยอะอย่าไปทำอะไรปล่อยให้กายให้ใจมันทำแล้วมีส ต, ติตามดูไปเรื่อยๆเท่านั้นเองถ้าเราไปทำเราไปแทรกแซงมีปัญหากราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะขอคาแนะนาค่ะหลวงพ่อ อกับขอคําแนะนํนาค่ะบางคำนิดหน่อยที่ฝึอกอยู่ใช้ได้ล้วดีดูไปเรื่อยๆหนีไิคิดละแต่หนูรู้สึกว่าแล้วเราจะประเมินตัวเราได้ยังไงครับก็ร <ๆ S 1> เราจะประเมินตัวเราได้ยังไงคะโดยที่เราไม่ต้องคอยถามหลวงพ่อนะคะว่าเราดีดูดูซิสติเราเกิดบ่อยขึ้นไหมเฟ้อสั้นลงไหมนะเฟ้อบ่อยไหมยิ่งเฟ้อบ่อยยิ่งดีไม่เฟ้อยาวไม่ดี <laughs> แต่ถ้าเผลอยาวแล้วรู้ว่าเผลอยาวเนี่ยดีในขั้นต้นรู้ว่าตัวเองเผอลอละหัดใหม่ๆนะวันนึงรู้ว่าเผลอได้ครั้งสองครั้งก็บุญละต่อไปจะเผลอทียิบเลยสองวินาทีก็เผลอทีหนึ่งล้ะคืออยากจะเรียนถามคํมาถามหลวงพ่ออาคาศตอนออประมาณเมื่อเดือนพฤศจิกาค่ะหนูไปปฏิบัติที่บ้นานตากันค่ะประมาณเจดวันทีนี้ตอนวันท้ายๆเนี่ยค่ะพอจิตพอ พ, อ พ, อพอนั่งสมาธินะคะ แรกๆเนี่ยจิตมันจะไม่ค่อยลงนะคะครึ่งชั่วโมงมันก็จะออกมาเองออกมาเองเนี่ยค่ะแต่ตอนหลังๆนี่มันก็มันก็ก็ยอมนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งนี่พอนั่งแล้วจิตมันดีๆจิตมันไปรับรู้เองอค่ะมันมันบอกว่ามันจะรวบรวมกําลังแล้วนะมันอะไรนะมันจะรวบรวมกําลังแล้วนะอยดีๆแบบมันมันพูดขึ้นมาเองอะค่ะทําพูดอะไรเนี้ยค่ะทีนี้หลูกก็บอกว่าอตกใจอะค่ะ ว่าไปห้ามันโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าแล้วทีนี้แต่ตอนนั้นรู้สึกพอพหลังจากนั้นพอภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตมันก็เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของระหว่างคิดกับไม่คิดนะคะแล้วมันก็เห็นตอนที่มันมันมันฟุ้งมากๆแล้วมันไม่ลงแล้วมันอยู่พักหนึ่งมันลงปั๊บเราพอดีเราไปเห็นช่วงที่มันลงพอดีเราก็แบบเอ้ เนี่ยไม่เห็นแน่ไม่แน่นอนแล้วเนี่ยก็คือประจักษ์อนิจจังต่อหน้าต่อตาเนี้ยค่ะนั่นแหละภาวนาก็เพื่อเห็นตรงนี้แหละแล้วทีนี้จิตมันก็เลยหดเข้ามาข้างในอ่ะฮะหลวงพ่อมันหดตัวเข้ามาข้างในแล้วมันก็เลยสงบระงับเลยเห็นไม่ง่ายอะไม่ต้องทําอะไรก็สงบอย่าไปทําให้มันยุ่งสิแล้วการที่จิตมันมาพูดเองนี่มันมันก็สอนธรรมะเรานะว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันพูดได้เองแล้วแล้วมันมีการสอนอีกด้วยนะคะก่อนหน้านี้อีกบันทึกบอกว่า ต้องเข้าไปลึกอีกประมาณแค่นี้ต้องทําความรู้สึกลึกเข้าไปอีประมาณแค่นี้เอ็นเราคิดตัวเองหรือเปล่านั่นแหละมันพูดได้เองอย่าไปเชื่อมันอขอบคุณค่ะามาส่งมาข้างหน้านี้เบอร์แปดสิบหกยกมืออยู่ข้างหน้าเนี่ยนะตามสติตินี่ยกมือเร็วกว่าข้างหลังอวัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็จะขอส่งการบ้านครั้งแรกก็เมื่อกี้ก็รู้ว่ากลัวแล้วก็ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่แล้วก็ สงบไปช่วงหนึ่งแล้วก็ยังกลัวอยู่อย่างนี้คือคิดว่าดูใช่ได้สิเรากลัวเรารู้ว่ากลัวนะโกรธรู้ว่าโกรธโลภรู้ว่าโลภรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นนะกลัวมันก็กลัวของมันเองโกรธมันก็โกรธเองโลภมันก็โลภของมันเองมันไม่ใช่เราหรอกตอนนี้ก็ตื่นเต้นหลวงว่าแนะนําอะไรไหมคะนี่ไงบอกให้ดูต่อไปดูไปเรื่อยๆนะจนวันนึงก็เห็นเลยสภาวะทุกสภาวะเนี่ยล้วนแต่บังคับไม่ได้ มันมาแล้วมันเลไปเลิกค่อย่างบางคนกลุ้มใจนะมีความทุกข์มาถามทํายังไงจะหายทุกข์โอ้ยไม่ต้องทําอะไรหรอกเดี๋ยวก็หาย <c oughs> เพราะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะมีหน้าที่รู้อย่างเดียวเลยรู้ไปความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆง่ายนะง่ายกว่าที่คิดฝึกไปแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่ายิ่งภาวนายิ่งมีความทุกข์นะยิ่งภาวนายิ่งเห็นทุกข์นะแต่จิตยิ่งมีความสุขมันกลับข้างกัน เราเห็นเลยโลกทั้งโลกนี้หาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยใครๆก็ทุกข์ไปหมดเลยแต่ใจเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมีความสงบมีสันติภาพขึ้นมาแล้วตอนหนูรู้สึกว่ามันว่างนี่คือมันว่างจริงหรือว่าหนูคิดว่ามันว่างอีกนะคะมันว่างของมันอย่างนั้นแหละแต่ว่างตัวนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยอะไรหรอกเป็นว่างที่คู่กับความวุ่นวายความวุ่นมันดับไปมันก็ว่างขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวมันก็วุ่นวายใหม่ พะงั้นไม่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรเห็นแต่ว่ามันก็เป็นใจลักเหมือนกับความวุ่นวายนั่นแหละคือจิตไม่ได้หลอกว่ามันว่างใช่ไหมคะอ่ะไม่ได้หลอกนะมันเป็นว่างคล้ายๆเ ป, เป็นรอยต่อก่อนที่จะวุ่นวายครั้งใหม่เท่านั้นเองอ่าจูนอ่อมีอยู่ครั้งหนึ่ง น, นะค่ะจุนเอภาวนาอยู่ที่วัดแล้วก็เห็นอาการของจิตลีลาของมันแล้วปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วจุน ไปที่บ้านอารีแล้วก็นั่งระหว่างฟังคนถามคําถามอาจารย์สุวัสด์เนี่ยจนก็เห็นว่าจิตมันกําลังจะทํารีลาแบบที่ที่ที่เคยจําได้ตัวนี้มันทําไมมันมีรีทิม์ด้วยสงสัยมันเจอศิลปินนะคะมันเลยอ่อนไหวเอาไม <c oughs> ที่ <c oughs> ทหลวงพ่อฟังไม่ค่อยถนัดเําไมา<อ>ไปบ้านอารีนะทำไมไปบ้านอารีคะ่ะแล้วก็จนก็นั่งดูสภาวะของตัวเองไปอ่ะคะ่ะ ระหว่างดูสภาวะของตัวเองไปเนี่ยก็เห็นว่าจิตมันกําลังมีอาการแล้วก็มันเหมือนกับว่าเฮ้ยจาได้ว่ามันจากตรงนี้แล้วแล้วมันเดี๋ยวมันจะพลิกเป็นตรงนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็มันมีสติเกิดขึ้นแต่มันสติตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่สติตัวจริงมันทื่อๆด้านๆมันเหมือนมันจํามันเองแล้วมันมาทําก๊อปปี้ให้เห็นอือย่างนั้นใช่ไหมคะคือมันไม่ใช่สติตัวจริงดูไปก็เลยดูไปเรื่อยๆนะอะไรโผล่มาให้ดูก็รู้อันนั้นแหละ รู้ไปแล้วก็ใจเป็นกลางให้มมาก็โอเคแล้วตแต่สงสัยก็ให้รู้ทันไปแต่แรกเจนก็สงสัยว่าเฮ้ยเราเรารู้ล่วงหน้าขนาดนี้ใช่หรือว่าจิตมันจะพลิก <จำ S 2> เป็น <จำ S 2> อย่างนั้นมันจาได้มันจําได้แล้วมันทาตามด้วย อ, อย่าว่าแต่ตรงนี้เลยสมมติว่าได้พระโสดาไปแล้วนะจิตมันเกิดไปจารีลากั บ, บวนท่าได้นะมันแอบไปทาปลอมๆขึ้นมาลรวก็นึกว่าบรรลุพระสกทาคาพระอนาคา มันหลอกได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะมันจําได้แสดงว่าจิตหนูแสบแสบ <c oughs> <c oughs> อีกคําถามของข้าหลวงพ่อคือเวลาจนให้คําแนะนําเรื่องการดูจิตเนี่ยจนจะพูดไปว่ามันเป็นเหมือนเกมคือถ้าถ้าการดูจิตเป็นเกมเนี่ยเหมือนอะไรนะเกมค่ะ เ, เ, เป็นกีฬา เ, เป็นเกมเป็นกีฬาเนี่ยกติกาของมันก็คือ กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้เป็นอย่างนั้นรู้เท่าที่รู้ได้<อ>ถ้าเมื่อไหร่ที่เล่นเกมแบบว่าจะให้สติเกิดเยอะหรือว่าจะให้กิเลสหายไปนี่คือผิดกติกา<อ>จุนให้คำแนะนำวันนี้นี่มันครอบคลุมการดูจิตแล้วหรื อ, อยังคะหรือว่ามันควรจะมีคำอื่นดูไม่เป็นห้แนะนาอย่างนั้นให้ทาให้ได้ก่อนก็บุญโขแล้วแล้วก็ผลเป้าหมายของเกมก็คือ รู้สภาวะทุกอย่างด้วยความเป็นกลางด้วยปัญญา อ, อันนั้นก็คือนคนเราเล่นเกมส่วนมากอยากชน ะ, ะเล่นเกมนี้ไม่เอาชนะด้วยน ะ, ะ <c oughs> เอาเป็นกลางกับทุกสภาวะด้วยปัญญากลางก็ไม่เอาเนาะกลางก็ไม่เอาด้วยอะคะงั้นตรงนี้ไม่เอาใช่ไหมคะไม่บอกออมันจริงๆแล้วก็คือรู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆน ะ, ะแล้วก็มันจะเกิดผลของมันเองแหละแต่ว่าบอกเขาได้ ว่าจุดสุดท้ายแล้วก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยจิตจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งแต่ว่าอย่าไปทําความเป็นกลางนี้ขึ้นมานะความเป็นกลางต้องเกิดจากมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วครา ว, วาทุกอย่างความสุขเกิดแล้วดับทุกเกิดแล้วดับเห็นซ้ําๆอย่างนี้นั่นมันเป็นกลางเองเมื่อวานก็มีคนถามว่าทํำยังไงถึงจะเป็นกลางอ่ะเออทำไม่ได้หรอจึงก็บอกว่ารู้ที่ผิดแล้วจะถูกเองค่ะเหมือนที่หลวงพ่อบอกใช่เดี๋ยววันนี้คนภาวนาเก่งหลายคนหมอนัด สุรวัตรเดี๋ยวเลิกแล้วขอเจอหน่อยนะคุยกันหน่อยนานๆนนเจอทีอ้าใครเชิญต่ อ, อข้างหน้านี้ยกไว น, นะข้างหลังไม่ทัน อ, ะอ่ะนะพิธร ก, การหลวงพ่อครับีดูแล้วมันเห็นเป็นอย่างอย่างเวลาเราคิดอะไรอย่างปรุงแต่งนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเวทนานะ่ะที่เป็นแบบว่าก้อนๆอะไรตรงหน้าอกใช่ไหมฮะหลังจากนั้นมันก็ เราดูมันก็จะหายอืมแต่ว่าดังนั้นตนก็จะเพ่งตามมาก็เป็นต้องย้อนไปดูเพ่งพอเพ่งหายมันก็จะรับพรรษะอย่างอื่นแล้วก็จะเป็นก้อนอีกอะไรมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหะครับวนเวียนนั่นดูไปมีแต่ความไม่เที่ยงอเอ็กก้อนๆนี้เป็นเยอะนะถ้าจงใจดูเมื่อไหร่ก็มีก้อนขึ้นมาหรือเข้าไปแทรกแสงเมื่อไหร่ก็เป็นก้อนขึ้นมาอย่างใจเราเผลอไปแล้วเราไปดึงคืนมันนิดเดียวก็เป็นก้อนแล้ว รู้สึกว่าเป็นตัวเวทนาคือมันยังไงมันมันเป็ น, ปนตัวมัน<า>เป็นวิบากอ๋อครับเป็นว<ด>ิบากนะเป็นผลจากการกระทํากรรมของเราที่ในยานาเออที่ในอดีตใช่ไหมฮะอดีตสดสดร้อนๆนี่แหละเช่นใจเราลอยไปแล้วเราดึงมาปุ๊บเนี่ยเรามีโลภะใช่ไหมใจลอยไปแล้วเราอยากให้มันมาอยู่ที่นี่มีกิเลสแล้วเกิดการดึงคือการกระทํากรรมเกิดวิบากคือแน่นมีกิเลสมีกรรมมีวิบากหมุนอยู่ตรงนี้เอง ไม่ใช่วิบากในอดีตชาติอะไรครับอดีตชาติแต่ชาติขณะถัดไปนี่นมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมครับเหยียบประคองมันเขากลุณปล่อยไปได้เยอะแล้วดีแล้วแต่ยังไม่หมดนะก็ยังไม่หมดครับยังเหลือเพราะบางทีมันมันติดวิบากอย่างหลวงพ่อว่าคือมันจะอเยอยากจะดูอะไรเงี้ยวิบากเนี่ยต้องชดใชนะ้วิบากแก้ไม่ได้นะอย่างเรามี ส, สติเนี่ยกิเลส ด, ดับแต่วิบากไม่ดับ วิบากต้องชดใช้ไปเพราะไปทํากรรมมาแล้วอย่างเราเดินไปหมั่นไส้กําแพงแนละ้วชกมันเปี้ยงไปแล้วจะต้องหมั่นไส้เป็นกิเลสตรงชกเป็นกรรมเจ็บมือเจ็บมือเป็นวิบากแล้วต้องทนไปนะจนมันหายเจ็บชดใช้กิเลสรุนแรงก็ทํารุนแรงวิบากมันก็แรงเอาทิศยอดยอดตอนนี้ดีขึ้นไห ม, ไมกล่าวธรรมสกรารหลวงพ่ อ, อก็ช่วงเช้าก็รู้ลมหายใจได้เรื่อยๆครับ ฝึกไปเร้่ดีแล้วะคุณประกรณ์ใช้ได้นะดีขึ้นเยอะเลยอ้าใครจะยกมืออาจารย์นี่ก็ใช้ได้นะอะคนนั้นยกก่อนคนนัน้นกลับนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อพอดีวันนี้โยมพาแม่มากลับนมัส ก, การพระอาจารย์แล้วก็จะพาแม่มาส่งกันบ้านด้วยค่ะแล้วแม่ฝึกแบบไหนคุณแม่ตอนแรกเนี่ยเคยฝึกแบบดูรูปนาำแล้วตอนหลังช่วงปีที่แล้วคุณแม่ไม่สบายก็ ได้ฟังทีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะขอโอกาสคุณแม่ส่งกันบ้าน น, นะคะนวัตการค่ะอาจารย์คะได้ฟังทีดีอาจารย์น่ะสบายใจดี <c oughs> <c oughs> อยากจะมาเห็นอาจารย์เลยครับอาจารย์ด้วย <c oughs> อ๋อดีให้ได้เห็นแล้วเนาะ <c oughs> นติงเห็นแล้วดูแต่ใ น, นลูกรูปมีจ้ะ อาาในรูปเขาเลือกรูปหล่อๆไปลงภาวนานะภาวนาแล้วเล้วอาจารย์ว่าที่ฉันทำมาน่ะมันเป็นไงอ่ะยังเดินไม่ถูกเดินทางไหนดีไปบังบังคับมันเยอะไปบังคับมันมากไปเวลารู้รูปนามรู้อย่างนี้นะเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดู เห็นร่างกายมันนอนใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูต้องมีแยกรูปกับนามนะรูปมันเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นคนรูนะ้แล้วก็นามก็เคลื่อนไหวใจเราก็เป็นคนรู้เช่นเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงช่วงไหนลูกหลานไม่มาเยี่ยมอะไรเงี้ยใจเราก็ไม่สบายใจบางทีก็น้อยใจอะไรเงี้ยเราก็รู้นะ <c oughs> หรือบางทีเราอยากพูดอยากคุยอยากเล่าอะไรขึ้นมาเราก็รู้ว่าอยาก นามมันเคลื่อนไหวแล้วใจเราเป็นคนรู้มันไปเรื่อยๆ<ช>เราจะทำตัวเป็นคนดูเหนะมือนคนดูละครเหนะมือนดูละครละครตัวละครก็คือกายกับใจนี่เขาแสดงทั้งวันทั้งคืนเร า, าที่อยู่ปฏิบัติมาเนี่ยโยมบงัง ค, บบงคับบังคับเยอะไป<ฟ>มันไปเพ่งมากไปบั ง, บงคับมากไปต่อไปฝึกให้มันสบายปล่อยให้ร่างกายให้จิตใจนี่ผ่อนคลาย แล้วร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดยอมดูออกไหมฟังอัตมาพูดแล้วใจเขาไปคิดตามใจหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันว่าใจเราไปคิดนะคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยๆก็ใช้ได้ละอานมทวัตการเจ้ดีนะโมทนานะฝึกไปไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้หรอกธรรมะเป็นที่พึ่ง พระอญญาจารย์คะเไม่ทราบว่าโยมปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะของโยมยังบังคับแรงไปหน่อยแล้วดูออกไหมใจมันลุกหลิกหลุกหลิก <c oughs> ใจมันลุกหลิกแล้วก็รู้ว่าใจมันลุกหลิกไปไม่บังคับให้นิ่งค <c oughs> ่ะอคุณน้าชื่ออะไรภาวนาดีแล้วล่ะใจมันตื่นแล้วเราก็คอยรู้ไปเไรื่อยๆครับก็ <c oughs> รู้สึกดีกว่าปีที่แล้วมามต้องอย่างงั้นสิ ภาวนาแนละ้วไม่มีพัฒนาการเลยนะทําไม่ถูกแน่นอนนะถ้าภาวนาถูกต้องนะจะมีพัฒนาการซึ่งตัวเองรู้สึกได้แล้วก็คนรอบข้างรู้สึกได้หมาแมวก็รู้สึกนะบางคนใจร้ายหมาเดินผ่านหมาตัวเกรงเลยพอเราภาวนาเนี่ยหมาเนมันนอนข้างๆเราอย่างสบายใจได้เนี่ยมันเปลี่ยนตัวเราเราก็รู้สึกนะคนแวดล้อมก็รู้สึกสัตว์ทั้งหลายก็รู้สึก มีความเป็นมิตรมากขึ้นอ่ะเบอร์เจ็ดสิบสามว่าไปก็ตอนที่สติตัวจริงเกิดจะรู้สึกว่ามันโงวงๆแล้ว ก, วก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างมันปลอๆมๆอะค่ะทุกอย่างปลอมหมดถูกแล้วค่ ะ, ะโลกเนี้เป็นภาพลวงตาค่ะแล้วก็พอรู้สึกอย่างนี้มันบางทีมันก็จะกลัวบางทีก็จ ะ, ะกลับรู้สึกดีใจกลับรู้สึกรอเอ๊ะเมื่อไหร่จะเกิดอะไรเเยออนั่นโลภล <c oughs> นะถ้ามันกลัวขึ้นมาเองไม่เป็นไร บางทีมันก็เห็นโลกนี้น่ากลัวใจรู้สึกว่าน่ากลัวไปหมดเลยเรียกว่าคยตูปัฏฐานาญเป็นปัญญาหนึ่งนะเห็นโลกนี้เป็นของน่ากลัวเป็นไัยบางคนก็เห็นโลกนี้เป็นของน่าเบื่อด้วยอํานาจของนิพพิทาัญบางคนเห็นโลกนี้ว่างเปล่าบกพร่องโงงโงงหาสาระแกนสารไม่ได้เรียกอาทีนวายัญภาวนาเป็นแล้วไม่เป็นอย่างนั้นแหละมาไปถึงไหนแล้วเชิญยกมือเชิญ โอคนนี้ยังไม่ได้พูดยกมานานแล้ววันนี้จะถามมาไรเอรอครับผม <c oughs> เออเมื่อกี้ได้ฟังหลวงพ่อนะพูดอีกครั้งหนึ่งอะนะฮะว่าสติเนี่ยถ้ากรโทษหลงไปเนี่ยนะวันหนึ่งสองสามครั้งอะไรเนี่ยถือว่าเพ อ, อใช้ได้ละแต่ถ้าดีๆเนี่ยก็ต้องนาทีละสองสามครั้งผมเลย แต่คิดว่าจะเรียนถามตรงนี้มาหลายครั้งเหมือนกันนะครับว่าไอ้การที่หลงไปเนี่ยอันนี้มันคือมันคือโมหะใช่ยิ่งปฏิบัติมันก็น่าจะบางลงคือถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นนาทีละสองสามครั้งแล้วเนี่ยรู้จักมันแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเองหรือยังไงครับหรือว่าจะต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะแต่เดิมเนี่ยมันหลงตลอดวันหนึ่งหลงครั้งเดียว พอาเราหัดจเจริญสติสติเราเกิดบ่อยขึ้นใช่ไหมมันจะหลงสั้นหลงอย่างหลงไปห้านาทีรู้สึกแล้วหลงไปหนึ่งนาทีรู้สึกแล้วหลงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติยืนพื้นในจิตใจของพวกเราอยู่แล้วพวกเรามีเชื้อของโมหะเนี่ยยืนพื้นอยู่เชื้อของอวิชชาไม่หายไปหรอกแต่ว่าพอมันหลงไปแล้วเรารู้สึกหลงไปแล้วรู้สึกมันสั้นลงสั้นลงนะต่อไปปัญญามันจะเกิด ปัญญามันจะเกิดในแง่ที่ว่ามันจะรู้ความจริงว่าจิตจะหลงไปก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้จิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยตกอยู่ใต้ไ ต, ไตรลักษณ์เท่าเทียมกันเวลาปล่อยวางปล่อยทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าจะไปปฏิเสธจิตที่มีโมหะจะเอาจิตที่ไม่มีโมหะจะเอาอันหนึง่งเกลียดอันหนึ่งเนี่ยยังไม่ใช่เป็นกลางถึงจุดหนึ่งเราจะเป็นกลางทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยเป็นกลาง เท่าเทียมกันไม่ใช่เกลียดโมหะนะในสุดเราก็จะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนะั้นเราบังคับไม่ได้ทั้งสิ้นถ้าเห็นอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันบไม่ใช่ไปดับมันเพราะเราไม่ใช่พระราารอรหันต์ยังไงก็ต้องมีโมหะการที่เรามีโมหะเราเห็นโมหะกอเรียกเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเพราะโมหะเรามีจริงๆถ้าเราภาวนาแล้วบอกไม่มีโมหะเลยเนี่ยเราดูผิดแน่นอนะ เราไม่ใช่พระลราหันปล่อยไปแล้วเนี่ยมันก็มังยังเกิดอีกแล้วก็ต้องเห็นอีกอย่างนี้เหรครับใช่เห็นไหมมันจะเกิดมันก็เกิดเองเห็นไหมห้ามมันไม่ได้มันสอนไตรลักษณ์นะโมหะสอนไตรลักษณ์เราเท่าๆกับความรู้สึกตัวนะั่นแหละเท่าเทียมกันเลยไกิเลสตัวนี้กิเลสตัวโมหะนี่ก็กกละไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ละนะคนที่ละได้ต้องเป็นพระลรหันละตัวสุดท้ายเลย ตอนนี้สังเกตไหมถ้าเราหลงไปแล้วเรารู้สึกเร็วๆนะราคะและโทสะจะไม่เกิดขึ้นเพราะราคะและโทสะเนี่ยเป็นลูกของโมหะงั้นถ้าถ้าโมหะเกิดแล้วสติรู้ทันสติรู้ทันนีราคะโทสะไม่มีกระทั่งราคะโทสะไม่มีอย่างถาวรแล้วนะคือพระอนาคามีโมหะยังมีเลยงั้นอย่าไปตกใจกับโมหะเราไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะชนะโมหะนะภาวนาเพื่อจะไม่ยึดอะไรสักอย่างทั้งดีและชั่ว อาใครจะยกมือมีไหมมีไหมหนึ่งมีไหมอ๋อมีอาเชิญนึกว่สองสามแล้วเราจะได้เลิกส่งกันบ้านครับหลวงพ่อเห็นว่าจิตมันชอบจะไปสร้างตัวผู้รู้ขึ้นนะครับอาดีที่รู้ไม่ว่าจิตจะไปสร้างอะไรก็คือจิตสร้างภพทั้งสิ้นนะถ้าสร้างภพขึ้นเมื่อไรความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นแหละ<อ>เียสังเกตไหมว่าของคุณเนี่ยนะมันชอบน้อมจิต มันชาบน้ําจิตไปให้นิ่งๆซึมๆไม่ตรงนี้ไม่เอาเลยนะอย่าเป็นน้าจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตเขาเป็นอิสระแล้วตามดูเข้าไปเรื่อยๆอย่างบางครั้งเห็นเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแยกออกมาดูได้ก็เลยจะไปพยายามทําตรงนั้นไม่ไม่พยายามถ้าเราไม่พยายามแล้วมันจะแยกถ้าพยายามอยู่กิเลสมันเกิดมันไม่แยกหรอกถ้าแยกก็แยกไม่มีความสุขแยกแบบแข็งแข็งเรียนถางหลวงพ่อครับว่ายอดอย่างโยมต้องมี ปฏิบัติในรูปแบบอย่างใดเถิบ้างมิจะควรที่คุณทําอยู่ใช้ได้แล้วนะดีแล้วคุณหมอส่งกันบ้านเลยนี่ก็ดีขึ้นครับก็หลงน้อยลงครับถูกต้องนะหลงบ่อยขึ้นดีแล้วใจตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกถึงความเปลีป่ยนแปลงไหมเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งนะจะรู้เลยว่าไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นคนใหม่นะถ้าเป็นผู้หญิงนะ สามีจะรู้สึกว่าได้ภรรยาใหม่มาค น, น, นสวยกว่าเกา่าดีกว่าเกา่าพูดน้อยกว่าเกา่าอ้าวอาจารย์สุรวัตรว่าไงส่งกันบ้านเลยวันหลังให้ดังตรีนส่งกันบ้านเธอดังตรีนไม่ยอมเข้ามาไปซ่อนอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วยังทำการบ้านไม่เสร็จเลยครับมันเหมือนหมดแรงทำนะมันเหนื่อยพอเหนื่อยล้ามากแล้วกิเลสมัน ลุมกันเล่นงานนะสมมติวถ้าเหนื่อยเหนืยต้องมานั่งข้างหน้านี่้ <c oughs> นั่งผิงเสาอยู่ข้างหลังมันเหนื่อยนานเอ้าใครจะคุยต่อเชิญดีใจรู้สึกไหมอตอนไมมาดีใจมะจับไมตื่นเต้นรู้สึกไหมตื่นเต้นขึ้นมาทันทีคะ่ะคือไ ม, ไม่ได้มาที่นี่สองเดือนแล้วแต่ว่าตอนที่ไปฟังสวดสวดศพมาค่ะแล้วเราแบบ คือจงใจทําสมาธิฟังฟังสวนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นจิตเห็นกายแล้วก็เห็นข้างนอกข้างนอกเนี่ยว่างๆแต่กายเราอะจะหนักๆ อ, อันนี้เป็นผลของสมาธิใช่ไหมคะคือเวลาที่เราภาวนานะแต่เดิมเนี้ยข้างในข้างนอกนี่เป็นอันเดียวกันพอเราหัดภาวนาเราจะรู้สึกว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งโลกข้างนอกอันหนึ่งโลกข้างนอกว่างเปล่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยจะหนักๆ ้าฝึกไปเรื่อยๆนะความหนักนี่ไม่มีจะเสมอกันข้างในกับข้างนอกนี่ว่างเปล่าเสมอกันฝึกไปถึงจุดสุดท้ายนะข้างนอกข้างในจะรวมเปน็นเดียวกันสลัดคืนไปหมดเลยงั้นที่เราภาวนาแล้วเราเห็นว่าข้างในนี้หนักเนี่ยเราเห็นถูกต้องแล้วเพราะขันห้าเป็นของหนักเพราะพุทธเจ้าบอกยขันห้าเป็นของหนักบุคคลแบกของหนักไปเนี่ยไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวง พระอริยะเจ้าวางของหนักลงแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกนะก็เลยพ้นจากถุกดูออกอยังว่าเราแบกของหนักทั้งวันยังไม่ออกคือเห็นสะพานสภาวานี้าานแค่สองครั้งค่ะออดูไปเรื่อยต่อไปจะรู้สึกว่นานาบหนักแต่ว่าปกติแล้วสมาธิอ่อนใช่ไหมคะไม่เป็นไรสมาพิเพราะว่าสังเกตว่าจะเห็นสภาวานี้เมื่อมีสมาธิอะคะ่ะคือจงใจทําเออทาสมาธิเพิ่มขึ้นไหนส่งมาข้างหน้าฉาดส่งกินบ้าง ช่วงนี้ก็รู้เผอได้บ่อยขึ้นครับหลวงพอ่อประคองไว้ประคองมากไป น, นิดนึงอืมครับที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้ละดู เ, เป็นแล้วดูเป็นแล้วดูเป็นแล้วก็เป็นดูเรื่อยๆครับเอารัดส่งกันบ้านกน็สบายเห็นหมู ก, กระดาษไหมเออเห็นแล้วไปจานตูช่วงนี้มันมีโทสะอยู่ข้างในนะคะหลวงพ่ อ, อคือมัน มันออกมาข้างนอกด้วย <c oughs> ค่ะคือเหมือนกับว่าสภาวะที่เห็นคือว่าตอนที่ตกกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ค่ะคือมันก็มีความสุขแต่เหมือนกับว่ามันเป็นความสุขที่ฉาบฉวยมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นพายุค่ะให้ดูให้ดูลงที่ใจเราที่ไม่ชอบอดูตัวนี้นะดูผิดตัวนะไป <c oughs> ดูตรงที่ไม่ชอบช่วงที่ผ่านมาก็จิตมันหมดแรงค่ะหลวงพ่อแล้วก็ มันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นไรตอนนี้มันเริ่มมีแรงแล้วค่ะเพิ่งมามีแรงวันนี้ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ดิ้นรนพยายามจะให้มันดีแล้วก็ไม่เป็นกล้างค่ะดิ้นไม่ได้แล้วนะค่ะไส่งไปทั้งหลังมีคําถามนิดนึงค่ะคือมีคนถามว่าเอในเมื่อตัวเราไม่มีอ่ะค่ะหลวงพ่อแล้วอะไรที่มันรับผลของกรรมทําไมมันก็จิตนั่นแหละจิตเป็นผู้กระทํากรรมจิตเป็นผู้สะสมวิบากจิตเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นหน้าที่ของจิต น่ส่งไแข้างหลังตื่นเต้นครับมีคนตื่นเต้นก่าคุณอีกคนนึงนั่งทิงเสาอยู่แล้วไงตื่นเต้นแล้วไงที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้พอจะใช้ได้พอใช้ได้ <ปะ S 1> รู้สึกไหมใจเราโปร่งโปร่งโล่งโล่งนะดีแล้วฝึกไปใช้ได้อ้าหมอถึงแล้ว นี่ต้องมีโจทย์เยอะแน่เลยโดนเล่นงานแล้วคนหัวเราะชอบใจเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วก็ไปบังคับไว้นิดหน่อยครับอืแต่วันนี้รู้สึกว่ามีกําลังกว่าเสาที่แล้วอืมมีกําลังบังคับนิดหน่อยนะปัญหา ค, คือบังคับครับมีใครจะคุยกับหลวงพ่อบ้างไหมเชิญโอคนนี้ยกนานแล้วนั่นที่อยู่ที่เสานั่ะยกไว้ยกไว้นี่มาจากลบบุรีเนะี่ย ทนทนนะขับรถไปจากระบุรีเมื่อกี้ตื่นเต้นค่ะมันเบาลงแล้วแต่วันนี้มีเพ่งนิดหน่อยแล้วก็คือภวนาดีนะพาวนาดีขึ้นแล้วเรารู้สภาวะนะแล้วก็ใจเราก็เป็นกลางกับสภาวะเยอะขึ้นหนูคือตอนแรกก็ว่าจะไม่ต้องส่งกันบ้านนะคะแต่ฟังฟังไปแล้วก็เลยสงสัยค่ะ คือไอ้ตัวที่หนูเห็นที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นการปรุงแต่งของจิตใช่ไหมคะปกติพวกนี้มันจะเห็นพราะโมหะไหมคะคือถ้าเรารู้ทันนะในขณะนั้นไม่มีโมหะถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็หลงกับสภาวะนะในขณะนั้นมีโมหะและนโมหะไม่ได้เกิดตลอดเวลาถ้าเมื่อไรมีสติตอนนั้นไม่มีโมหะเมื่อไรมขาดสติเมื่อนั้นมีโมหะแล้วถ้ามันมันไห ว, ไห ว, ไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะเห็นโมหะได้ยังไงอะคะเราไม่ต้องดูโมหะ สภาวะใดกํากลังเด่นชัดอยู่ในขณะนั้นรู้ว่านั้นเพราะ้นเราเห็นไหวๆเรารู้ว่าไหวๆใจเราถลําพบดูไหวๆเนี่ยเราไม่ทันละกิเลสเกิดละใจเราถลําลงไปดูเพรอยากดูให้ชัดๆหรือบางทีดูไฟแล้วหมดแรงมันเลยไหลลงไปรวมกับไหวๆแล้วก็รู้ทันมันนะหนูบางครั้งหนูเห็นมันไหวก็ไหวอยู่ส่วนหนึ่งโมหะก็เห็นอยู่ส่วนหนึ่งออโทสะก็อยู่อีกตัวหนึ่ง มันอย่างนี้ได้ด้วยล่ะได้ได้ดูไปองนะ้ดูไปเท่าที่มันดูได้จริงเป็นคนละขณะกันแต่จริงๆแล้วโมหานะไอ้โทสะเนี่ยมันเกิดร่วมกับโมหะเสมอโทสะจะไม่อยู่เดียวเดี่ยวแล้วเวลาเห็นไหวๆแล้วมีอะไรล่อนขึ้นมาล่ะคะเออแล้วก็ดูไปว่ามันล่อนขึ้นมาถูกต้องแล้วนี่นะถูกต้องแล้วข้างหลัง น, นู้นยกมืออาเชิญครับ การบรรดาศัการ์หลวงพอ่ อ, อ, อนนครับขอข้อแนะนําน่ครับโยมฝึกแบบไหนลนะ่ะแบบเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนครับเคลื่อนไหวอย่างหลวงพ่อเทียนดีนะหลวงพ่อเทียนฝึกแล้วตื่นร่รางกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกจิตเคลื่อนไหวให้รู้สึกการเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆเพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองเมื่อหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดนะแต่ได้ต้นทางของการปฏิบัติ การดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดทํำไมท่านเคลื่อนไหวท่านเคลื่อนไหวเพื่อจะรู้ทันจิตถ้าเราเคลื่อนไหวปุ๊บจิตวิ่งไปเพ่งอยู่ที่มือเรารู้ทันเราเคลื่อนไหวปุ๊บจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเราเคลื่อนไหวแล้วจิตหนีมาคิดว่าเดี๋ยวจังหวะนี้แล้วจะมาจังหวะนี้เราก็รู้ทันอีกว่าจิตหนีไปคิดเพราะฉะนั้นเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเราก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆอย่างนี้ถึงจะได้แก่นสารสาระที่แท้จริงของสายหลวงพ่อเทียนรุ่นหลังๆเริ่มพลาดนะ ทรงคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่ค่อยได้รุ่นหลังๆชอบไปเพ่งใส่มือสายหลวงพเทียนองค์ตอนนี้ที่ยอดเยี่ยมเลยนะคือหลวงพ่อคำเขียนะเราศึกษากับท่านดูได้จุดสำคัญคือความมีสติแต่ตามปกตินี่จะเน้นที่เดินจงกรมครับผมเดินเดินแล้วก็เดินดูจิตใจไปครับผมเหมือนกับขยับนั่นเองประมาณปีสองถึงปีสี่นะครับรู้สึกจะได้สภาวะเออดีดีพอี พอมันมีเรื่องที่กังวลหรือเรื่องที่อ่ารู้สึกว่าใจมันจะหนักนะครับพอเดินไปความคิดต่างๆมันจะไหลออกมาเอาอแล้วก็จะเห็นสังเกตเห็นแต่ถ้าหากไม่ได้ปฏิบัติช่วงไหนเรารู้สึกว่าใจมันจะกลับมามีภาวะที่จะหนักของโยมลดความจงใจบังคับตัวเองลงนิดนึงนะบังคับแรงไปเรารู้เล่นๆไป เคลื่อนไหวไปจะจะขยับมือหรือจะเดินจงกรมก็ได้แล้วก็รู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตไปรู้เล่นๆอย่าจริงจังนะแรงไปดูแรงไปอใครจะคุยต่อชเชิญอข้างหลังนึงข้างหลังนูน่นกราบสมนักมศการหลวงพ่อครับก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็มากับน้องสาวกับคุณแม่นะครับก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณหเดือนแล้วนะครับ ตอนนี้จริงๆแล้วทา ง, งานอยู่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าช่วงนี้มาพักที่เมืองไทยประมาณสองอาทิตย์ก็คือว่าแต่ว่าถ้าเกิดมาเนี่ก็อยากจะมานมัส ก, การหลวงพ่อให้ได้ครับก็ระหว่างที่ฟังซีดีไปก็รู้สึกว่าก็เริ่มจะสังเกตตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเห็นโสภาโมหะแล้วก็โลภะมากขึ้นฮะโอ้ดีมากน ะ, ค, ะคือถ้าเราภาวนาเนี่ยเราเห็นกิเลสเกิดถียิบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าสติของเราเกิดเยอะ เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วจิตของเราเนี่ยจะเป็นอกุศลซะมากนะพื้นฐานมันเลยแต่ละคนอะ่ะมันจะมีอกุศลเกิดบ่อยๆกุศลมีน้อยนี่พออกุศลเกิดแล้วเรารู้ทันก็เรียกเรามีสติจิตเราเป็นกุศลในขณะนั้นยิ่งมีสติบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าตัวเราร้ายกว่าที่เราเคยคิดไว้กิเลสนี้ที่ยิบเลยแต่เราภาวนาไม่ใช่เพื่อละกกิเลสนะเราภาวนาเพื่อจะให้เห็นเลยจิตจะมีกิเลสเราก็ห้ามมันไม่ได้ กิเลสก็ไม่ใช่จิตกิเลสเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาเท่านั้นเองพอเราดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวยจิตก็เป็นอกุศลเอาแน่นอนไม่ไดนะ้ทั้งจิตที่เป็นกุศลทั้งจิตที่เป็นอกุศลล้วนแต่บังคับไม่ได้เนี่ยดูจนกระทั่งใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงดูความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันความสุขก็ไม่แน่นอนความทุกข์ก็ไม่แน่นอนเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปพยายามดูจนกระทั่งเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไป ดูโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเขาดูเล่นๆดูแล้วก็เห็นสภาวะผ่านมาผ่านไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะแล้วก็อยากมีคําถามนึงนะครับคือว่าการที่เราเปลี่ยนสถานที่ไปนเนี่ยสมมติตอนที่เราอยู่ในประเทศญี่ปุ่นกับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าจิตตัวเองนี่จะมีความแตกต่างกันนะฮะได้เพราะว่าจิตเรายังไม่ได้เป็นอิสระต่อที่สิ่งแวดล้อมนะมีภัสสะอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้มีภัสสะอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ ดูไปเรื่อยเ่อให้เห็นเลยเราบังคับมันไม่ได้ไม้เราไม่ได้อยากให้จิตเราเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงมันมีการกระทบอย่างนี้จิตก็เปลี่ยนกระทบงี้จิตก็เปลี่ยนล้วนแต่ของบังคับไม่ได้ดูจนกระทั่งเห็นความจริงว่าเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ดูจนบังคับได้นะถ้าตั้งเป<อ>้าผิดแล้วการภาวนาจะผิดเลยถ้าคุณสืบสักส่งกันบ้านเอ๊ะเมื่อกี้มีใครยกตรงนั้นคนหนึ่งอ้าวเชิญเชิญกับเน่หลวงพ่อครับ อนะติดติดการเพ่งจิตข้างในอะครับเวลามีความสุขจะติดอยู่ข้างในอะครับถ้าเราติดการเพ่งนะต้องเผลอซะบ้างที่เราเราติดเพ่งเนะี่ยเพราะเราบางทีเรากลัวจะเผลอไปเราก็จ้องเอาไว้หรือบางทีเราอยากรู้อะไรให้ชัดๆนะอยากรู้สภาวะชัดๆอยากดีอยากอะไรเงี้ย่ะไปติดการเพ่งถ้ามันติดเพ่งอยู่อันนี้ตอนเนี้เนี่ยใจจะน้อมไปแล้วรู้สึกไหมมันบีบตัวเองเข้าไปครับใช่ครับมันบีบตัวเองเข้าไป ลืมมันไป ล, ลืมคำว่าปฏิบัติซะนะแล้วก็ปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาระกระทบแล้วเนี่ยจิตเกิดกุศลอะกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์เราก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้กรอมัจะเพ่งเอาแต่จิตมันชอบเวลาจิตฝ่ายกุศลเกิดเนี่ยจิตมันจะชอบไปจับความสุขจากจิตกุศลเรยอัตโนมัตินะครับ<อ>มันจะจงดิ<ม>ง่งอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่เป็นไรนะจิตมันไปจับกุศลรือว่าไปจับกุศลน เราบังคับไม่ได้ดูลงไปอย่างนี้แทนที่เราจะไปพยายามบังคับมันนะเราก็ดูว่ามันแสดงไตรลักษ์ให้ดูเสก็หมดเรื่องแล้วละ่ะจิตมันจะไปจับอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือจับอารมณ์ที่เป็นความสุขเนี่ยเราห้ามไม่ได้ไม่ต้องห้ามมันนะให้แค่รู้ทันถ้ารู้ทันก็ไม่ได้ว่าติดถ้ารู้ไม่ทันถึงจะติดไม่ทราบมีขพ่อมีก้ออะไรแนะนำไหมครับของคุณต้องจงใจปฏิบัติน้อยๆหน่อยนะใช้ชีวิต ธรรมดาธรรมดานี้ให้เยอะๆฝึกในชีวิตประจําวันให้เยอะๆไว้ถือศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดากระทบแล้วปล่อยให้มันกระเทือนไปตามธรรมดามันจะกระเทือนขึ้นมายินดีบ้างยินร้ายบ้างต่อสิ่งที่มันไปรู้เข้าเนะีเราก็ค่อยรู้เอาว่ามันยินดีค่อยรู้เอาว่ามันยินร้ายไม่ห้ามนะอย่าไปบังคับให้มันนิ่งผู้ปฏิบัติจํานวนมากเลยไปติดกันเพง่งแต่เดิมไม่รู้ว่าติดนะแล้วก็คิดว่าเพ่งแล้วดี ตอนนี้รู้ว่าติดการเพ่งแล้วก็ไม่ต้องไปเกลียดมั น, ม, นมันไปเพ่งก็รู้ว่ามันไปเพ่งอยากจะเลิกเพ่งรู้ว่าอยากเลิกเพ่งรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปก็ค่อยๆ ค, ค, คลายออกที่ไปเพ่งเพราะมันอยากปฏิบัติขอบคุณครับขอบคุณสืบสักหลงกันบ้านนมัส ก, การหลวงพ่อครับก่อนที่คนอื่นเขาส่งเงินผมก็รู้สึกตัวสบายๆขยับมือไปเรื่อยๆ พอหลวงพ่อเรียกว่าคุณสืบสักสงการบ้านความเป็นตัวตนมันเกิดขึ้นมามันรู้สึกหนักขึ้นมาทันทีเลยครับน่าสงสารเนาะก็ระยะเท่านี้แหละครับหลวงพ่อตอนนี้ก็ฟูฟูหนักหนักขึ้นมาไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ของจริงที่หลวงพ่อจะบอกคือทั้งสามคนน่าภาวนาดีนะครับของคุณประกอบไว้นิดหนึ่งลืมชื่ออีกแล้วเออคุณนําพนเรียกยากนะอออ่างเนี่ย วันนี้วันนี้มันฟังธรรมะเหมือนกับมันเข้ามาข้างในรับรู้ได้อืมเมื่อก่อนได้แต่อ่านอืมวันนี้พอหลวงพ่อต้องใจให้มันออกมาอย่างนี้นะครับใชจมันบีบไปครังกลัวไมอ่ะดีฝึกอย่างนี้แหละครับรู้สึกไหมจิตกับธรรมะมันสัมผัสกันครับเะื่าจิตเราไม่ปฏิเสธธรรมะนะ้มันจะแอบซอบอย่างรวดเร็วเลยครับมันจะเข้าไปถึงใจ ครับมันมันไม่เคยเหมือนมันอ่านแล้วมันที่ก่อนมันอ่านมันมันเพราะว่ามันเป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดแทนครับเราฟังธรรมะแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดคราวนี้เราฟังเล่นๆครับเราฟังแล้วเราไม่ได้คิดมากธรรมะก็เลยซึมซาบเข้าไปในใจซึมไปหลายหลายหลายหัวข้อหลายเรื่องเลยครับดีแล้วอันนี้การพับคนของพ่อครับมันซึมแบบนี้หน้ามันจะข้ามภพข้ามชาติไปจิตมันแอบซอบธรรมะไว้ ไปมีพระองค์หนึ่งนะอยู่กับอาจารย์ช่วงนั้นพอสอสามร้อยได้อาจารย์เป็นมะเร็งผิวหนังที่หน้าแข้งลึกๆ ล, ล, ลงไปหน้าจนเป็นแผลลึกถึงกระดูกพระนั้นพยายามเอาใบไม้ ห, หายาหาอะไรไปพอกพ่ออาจารย์ไม่หายนะวันที่อาจารย์เจมรณภาพเนี่ยพระนั้นนั่งร้องไห้เลยสงสารอาจารย์อาจารย์กลับปลอบลูกศิษย์ซะอีกนะอาจารย์ป่วยใกล้ตายอาจารย์กลับปลอบลูกศิษย บอกว่ากายของเรากระสับกระสายแต่จิตเราไม่กระสับกระสายเลยนี่ธรรมะนี้แอบซอบเข้าไปในใจของลูกศิษย์ได้นะแล้วมันก็จะจําข้ามภพข้ามชาติไปกราบขอพระคุณหลวงพ่อครับอะคุณโชคชัยแล้วต่อด้วยคุณสุรชัยกราบ น, นมันสการหลวงพ่อครับเ อ, อผมวิตกว่าผมจะเพิงหรือเปล่าเพราะว่าจิตนี้มันไปจับที่กระดูกนะฮะเป็นระยะระยะ จิตไปจับกระดูกรู้ว่าจิตไปจับกระดูกไม่ผิดให้รู้ทันมันไปจับของมันเองดูลงกระดูกไปเลยก็ได้เห็นกระดูกเห็นร่างกายทั้งโครงเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูไปส่วนจิตก็อยู่ที่กระดูกบ้างจิตไปอยู่ที่อื่นบ้างจิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันรู้มันทั้งกายทั้งใจลูกสิษหลวงปู่ดูลีองนะดูกระดูกที่หลวงพ้องานนั่นดูกระดูกดูกระดูกแล้วก็ดูจิตแต่ตรงนี้ไม่ได้ละหลงละ ดูไปหนะ้าดูไปแล้วมันมีกําลังรู้สึกไหมครับครับ ม, มันมีกําลังอ่ามันมีกําลังเพราะของเดิมเราดูกระดูกมาแล้วก็ต่อจากยอดเดิมของเราเรารู้<อ>กระดูกไปครับอาสุรชัยนรัตสการครับหลวงพ่อคือสภาวะจิตที่ยังเป็นปัญหาของกระผมอยู่ก็คือตอนนี้ก็คือเสือชัยแป๊บหนึ่งโชคชัยลืมไปแล้วลืมกระดูกลืมหมดเลย <laughs> อาเสือชัยเชิญ ดูกระดูกแค่รู้นะไม่ใช่เพ่งนะจิตไหลไปก่อกระดูกดก็รู้ทันมันจะมีกําลังขึ้นมาอ่าเชิญใช่ไหมครับส ภ, สภาวะที่ยังเป็นปัญหากับผมอยู่ก็คือตึงประคองแล้วก็นอนครับอตอนนี้ก็คือรู้จักสภาวะตรงตามความเป็นจริงขึ้นมาบ้างแต่ว่าจิตยังไม่ค่อยเป็นกลางต่อสภาวะธรรมครับโอ้ดีมากนะมันก็เลยยังไม่พลิกหลุดออกมาครับอดีใช้ได้แล้วรู้ตามความเป็นจริงใช้ได้แล้ก็มีมีเท่านี้ครับ เท่านี้พอนละขอบพระคุณรู้อย่างเนี้ยนะรู้ไปอ้าวอ๋อเวลาเมื่อก่อนนะหลวงพ่อแปลสับวิลาสินีไีอ่ออกหลวงพ่อนึกว่าแปลว่าแมวตัวเมียกลายเป็นว่านางงามนะมีงามอ้าวอ๋อว่าไปมันมันเหมือนเครื่องมันเริ่มติดอะคะ่ะแล้วมันไปได้เรื่อยเหมือนเป็นแดงเฉยไปไเรื่อยแล้วก็แวะเติมน้ำมันมาขาบหลวงพ่อได้เรื่อยอะคะ่ะดีฝึกไปนะอ๋อ ในโลกนี้ทิ้งมันให้หมดเลยอะไรๆไม่เอาหรอกนะชีวิตคนสั้นๆภาวานาทางโลกก็กำลังจะซื้อบ้านนะคะมันก็ต้องซื้อนะมันก็ต้องมีบ้านอยู่แลลวเรียกว่าหลวงพ่อจะไม่ให้ซื้อหลวงพ่อไปยุ่งอะไรกับซื้อบ้านถึงไม่ซื้อก็ต้องเช่า่ ห, หมก็ต้องไปคำนวณดู เ, <อ>เช่าหรือซื้อถูกกว่ากัน ก็ก็มันมันก็มีความมุ่งมั่นจะภาวนามากขึ้นค่ะดีแล้วล่ะนะะค่เราตั้งเข็มเลยว่าชีวิตนี้เราถวายให้พระพุทธเจ้าเราภาวนาของเราไปอย่างนี้แหละนะทํางานไปภาวนาไปอย่างเงี้ยดียังไม่ต้องบวชนะบวชไม่เหมาะยังบวชไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านไปเรื่อยๆอยู่บ้านภาวนาไปแต่ว่ามาบ่อยๆ<ะ><ะ>ชื่ออะไรลืมอีกแล้ว จุ๊เนี่ยจุบ๊บนี่เป็นแอร์น้มันจั ก, กรหลวงพ่อคะ่ะตื่นเต้นคะ่ะเหลอคิดไม่ถึงค่ะมีเรื่องจะเล่าให้หลวงพ่อฟังค่ะว่าเอเมื่อต้นเดือนธันวาค่ะเดือนที่แล้วอะค่ะก็เปิดซีดีหลวงพ่อฟังแล้วก็ปักผ้าคอสติสไปด้วยอค่ะสักพักหนึ่งความคิดมันก็เข้ามานะคะแล้วก็ดูไปตามที่หลวงพ่อ เคยสอนนะคะก็ไม่ไปแทรกแซงเขาสักพักหนึ่งสติมันมาตัดเลยะคะ่ะมันมาตัดปุ๊บมันก็เห็นความโล่งโปร่งสบายแล้วเราก็อแบบเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเพิ่งเห็นครั้งแรกะคะ่ะจุดภาวนาเป็นละแล้วก็เลยกลับมาที่รู้สึกตัวแล้วก็เห็นว่าเออเรายังปักผ้าคอสติอยู่คะ่ะแล้วก็หูก็ไปฟังซีดีหลวงพ่ อ, อต่อะคะ่ะนั่นแหละภาวนาเป็นนะใจมันก็หลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูรู้สึกไหมมันสบายกว่าก่อนนี่แล้วใจมันตื่นขนะึ้นมา แต่ตอนนี้ได้ยินหัวใจเต้นดังมากเลยค่ะดีอย่าให้หยุดนะให้หยุดไปเดี๋ยวตึกมันดีใจแบบส่งไปข้างหลังขอบคุณค่ะอ้าวครูส่งกันบ้านเนี่ยครูไหวใจร้ายคนนี้ชอบตีเด็กก่อนหน้านี้ติดเลือกตั้งค่ะไม่ได้มาวัดประมาณสองเดือนเมื่อวานนี้หลวงพ่อทักว่าหายไปรู้สึกดีใจมากค่ะ เมื่อคืนนี้ไปนั่งจิตใจมันวนเวียนอยู่แถววัดเนี่ยค่ะวันนี้ไม่ได้ตั้งตัวจะส่งการบ้าน่ะภาวนาใช้ได้นะวานน่ะดีส่งไปให้ผู้ชายข้างหลังนั้นแหละคุณนั่นแหละที่ถือใหม่นั่นะเป็นยังไงเคยมาไหมไม่เคยครับเคยฝึกไหมเคยครับรู้สึกไหมใจเราเคร่งเครียดไป ใ, ใจเราทื่อๆนิ่งๆนะเราไปกดมันไว้การภาวนาจริงๆไม่ใช่ไปการบังคับตัวเองนะเราไม่ได้เก็บกดการภาวนาจริงๆนะัคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจดูซิร่างกายมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงบังคับได้หรือบังคับไม่ได้นะดูลงมาเพื่อให้เห็นความจริงในกายใ น, ในใจไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับมันนะคุณปรับตัวนี้นิดนึงนะอย่าไปตั้งเป้าที่จะบังคับมัน แต่ตั้งเป้าเพื่อจะเรียนรู้มันดูซิร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เรานั่งเนี้ยนั่งปรเดี๋ยวหนึ่งก็ทุกข์แล้วดูซิจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงรู้สึกไหมจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยวิ่งไปคิดแล้วรู้สึกไม้มมันถลําไปคิดนะให้คอยรู้ทันอย่างนี้นะอ้าวได้อีกหนึ่งท่านเชิญมนมาสักแต่หลวงพ่อค่ะ เพิ่งมาครั้งที่สามะค่ะแล้วก็เพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อไม่นานก็ลองปฏิบัติตามนี้รู้สึกว่าใจมันแบบเหมือนนอนแช่ค่ะมไม่ค่อยมีความรู้สึกนอกจากสภาวะตื่นเต้นหรือโกรธเนี่ยจะรู้สึกเด่นชัดมันนอนแช่เพราะเราเคยชินกักการบังคับตัวเองนะส่วนใหญ่คนที่เคยฝึกกรรมฐานอะไรมานี่บางทีชอบเพ่งไว้บางคนเพ่งมาแต่ชาติก่อนก็มีนะชาตินี้ยังไม่ได้ฝึกอ่ะพอเริ่ม จะหัดปฏิบัติให้บังคับให้นิ่งการที่คุณรู้ว่าจิตเข้าไปแช่อยู่ใช้ได้แล้วนะก็เท่ากับเรารู้ความจริงแล้วสังเกตไหมมันเข้าไปแช่ด้วยความเคยชินของมันเองเนี้อดูไปอย่างเนี้ยมันทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วมันก็ไม่ได้แช่ตลอดเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงสลับไปเรื่อยๆจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วอย่างเวลาที่เราเจออุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะคะจะรู้สึก ใจมันก็ไม่ไม่กระตุกมันคือแป๊บเดียวแล้วมันก็นิ่งต่อเหมือนอันนั้นเราติดเพ่งไว้นะข้อคุณมันติดนิ่งติดเพ่งอยู่ให้รู้ทันว่ามันติดเพ่งไปเรื่อยๆรือยอย่าไปเกลียดมันล่ะ๋ยวาไปค่อยคลายของมันเองหรอกเพราะการเพ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วให้ปฏิบัติตานี้ไปเรื่อยเใช่ใช่เนี่ยตอนนี้ไม่ได้นิ่งแล้วรู้สึกไหมตอนนี้เริ่มเคลื่อนไหวออกมาแล้วเคลื่อนไหวออกมาก็รู้ทันนิ่งก็รู้ทันนะะไปฝึกแค่นี้ก็พอแล้วว่ามันเป็นนิ่งอยู่ก็รู้มันเคลื่อนไหวออกไปก็รู้ อย่าไป บ, าบังคับให้นิ่งก็แล้วกั น, านอาเชิญยบกลับบ้าน